บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปหลักการปฏิบัติที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นมีข้อความที่สงใช้เหมือนกันทุกแห่งคือทั้งตอนที่ว่าด้วยกายเวทนาจิตและธรรม ได้แก่ให้ใช้ธรรมะเป็นหลักในการปฏิบัติสข้อกับเพื่อขจัดกิเลสประเภทที่สรุปเปรียกเรียกว่าอาภิชาและโธมนัดออกไปตัวอย่างเช่นในเรื่องของกายก็ทรงใช้คำว่ามีสติเป็นไปในกายมีความเพียเพรเผากิเลสให้เร่าร้อนมีสติมีสัมปชัญญะนาออก ซึ่งอภิชาและโทมนัตแม้ในข้ออื่นก็แสดงไว้โดยธรรมนองเดียวกันข้อนี้พึงเข้าใจว่าเป็นธรรมะหลักในการปฏิบัติพัฒนาจิตใจแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตย์ยังไม่ได้สั์สรู้ก็ทรงใช้ธรรมะสามข้อนี้แต่ว่าทรงใช้คำว่าเรานั้นเป็นผู้ไม่ประมาท มีความเพียรมีตนส่งไปแล้วแหละอยู่คาว่ามีตนส่งไปแล้วนั้นก็คือความเป็นผู้มีเจตจำนงอันแน่วแน่ที่จะบรรลุผลสูงสุดตามที่ส่งประสงค์ให้ได้ความเพียรในที่นี้ทรงใช้คำว่าอาตาปีที่แปลว่าความเพียรซึ่งเผากิเลสได้ ร, รัารอน ความเพียรมีความหมายที่ใช้ในที่ต่างๆหลายอย่างบางครั้งก็ใช้คําว่าอุตนานะแปลว่าความเพียรเป็นเหตุลุกขึ้นทําการงานบางครั้งใช้คําว่าปรกกรมะแปลว่าความบากบันบางครั้งก็ใช้คําว่าอารัฐวิริยะคือริเริ่มปรากฏความเพียรบางครั้งก็ใช้คําว่าวายามะที่แปลว่าความพยายามไม่ใช้วิริยะที่แปลว่ากล้าหาญ งโดยความหมายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันจะมีความเข้มข้นแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของงานนั้นๆงานการบำเพ็ญเพียรทางจิตมักจะใช้คำอยู่สามคำคืออาตาปะกับวายามะแล้วก็วิริยะตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องยากเพราะสภาวะของจิตเอง ก็ห้ามยากรักษายากเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่สงบอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจึงทรงสแสดงไว้ว่าบุคคลใดสามารถห้ามใจซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสรีระซึ่งอาศัยอยู่ในกาานี้ได้บุคคลเหล่านั้นจักพ้นจากบ่วงแห่งมานคือหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลส แต่ความเกี่ยวข้องผูกพันในอารมณ์ทั้งหลายปริมาณของความเพียรที่ใช้ไปเพื่อการฝึกปรือด้านจิตใจจึงต้องสูงเป็นพิเศษในที่นี้ทรงใช้คําว่าอาตาปะหรืออาตาปีคือความเพียรที่เผากิเลสให้ร้อนกิเลสซึ่งเป็นปฏิปักษ์เป็นอุปสรรคต่อความเพียร น, นั้นโดยตรงตัวจริงๆก็คือเรื่องของความเกียดคร้าน บาลีใช้คำสูงว่ามหาโกเศชาคือความเกียดคร้านขนาดใหญ่เนื่องบางครั้งบางคราวคนก็มองไม่เห็นว่าเป็นเรื่องของความเกียดคร้านเนื่องจากบุคคล น, นั้นสามารถสร้างเงื่อนไขให้คนอื่นมองเห็นว่าการกระทําของเขาในขณะนั้นไม่ใช่ความเกียดคร้านความเกียดคร้านที่มองเห็นกันโดยทั่วไปก็คือเรื่องการผลัดวันประกันพรุ่ง อ้างเหตุปัจจัยต่างๆมีหนาวร้อนหิวกระหายเช้าสายบ่ายเย็นเป็นต้นคือเป็นความเกียดคร้านระดับที่เห็นกันได้และพระพุทมีพระภากเจ้าก็ทรงแสดงไว้ในรูปของอบายจมุก ค, คือเป็นทางแห่งความเสื่อมแต่ความเพียบางกลความเกียดคร้านบางอย่างมีลักษณะที่ซ่อนเร้นซึ่งคนบางคนอาจจะมองเห็นว่าท่านผู้นี้ขยัน เจ็ดอาจอ้างการงานภารกิจต่างๆที่ตัวต้องจัดต้องทําซึ่งส่วนมากในปัจจุบันที่ใช้อ้างกันมากก็คือไม่มีเวลาคําว่าไม่มีเวลานั้นจะเป็นที่น่าคิดว่าเวลาก็มีด้วยกันคนละยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้ว เ, เวลาไปไหนสมุดถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในจุดของคําว่าไม่มีเวลา เชนว่าบางอย่างเป็นเพียงเงื่อนไขที่อ้างขึ้นตามแรงผลักดันของกิเลสประเภทที่เรียกว่าความเกียดคร้านเท่านั้นเองเพราะมีคนเป็นอันมากที่มีภารกิจการงานมากกว่าเราแต่สามารถปฏิบัติภารกิจในด้านต่างๆให้ถูกต้องสมบูรณ์ได้การอ้างในลักษณะนี้บางครั้งจึงเป็นเรื่องของมารยาเพื่อ เน้นเงื่อนไขให้คนอื่นยอมรับว่าไม่มีเวลาที่จะทํำจากนั้นอย่างนี้จริงๆนั่นก็คือลักษณะของความเกียดคร้าญประการหนึ่งด้การบําเพ็ญเพียรในทางจิตพระพุทธเจ้าจึงเน้นไปในการใช้ความเพียรพยายามทั้งทางกายและทางจิตใจซึ่งให้เป็นไปอย่างแรงกล้ารวดเร็วใช้ขณะเวลาที่มาถึงเข้าเป็นการฉกฉวยโอกาสเหล่านั้นสร้างความรู้ความสงบให้บังเกิดขึ้น ซึ่งก็หมายความว่าเมื่อกุศลและเจตนาบาังเกิดขึ้นที่จะกระทําความดีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องรีบเร่งกระทําเสียในขณะนั้นเพราะถ้าหากว่าปล่อยให้เนนานไปใจก็จะถูกครอบงาด้วยกิเลสประเภทที่ตรงกันข้ามเในกรณีนีก็คือถูกครอบงาด้วยความเกียดคร้านอาจจะอ้างเงื่อนไขทั้งภายในและภายนอกเข้ามาเป็นองค์ประกอบเพื่อคุ้มครองตนเองให้เห็นว่าไม่ใช่เกียดคร้านหรอก ในการบาเพ็ญเพียรชั้นนี้จึงใช้ในรูปที่เรียกว่าความเพียร น, นั้นเป็นไปทั้งทางกายและเป็นไปทางจิตเพื่ออยู่ในสภาพพร้อมที่จะให้เกิดความสงบขึ้นซึ่งแน่นอนถ้าหากว่าเป็นคนมีความเพียรพยายามรู้จักสกสวยโอกาสที่จะให้เกิดความสงบและความรู้ขึ้นภายในจิตใจของตนคนก็จะใช้โอกาสนั้นๆซึ่งอาจจะอยู่ในรถ หรือว่าอาบน้ำหรือว่านอนก่อนจะหลับเป็นต้นจะให้เกิดเป็นประโยชน์ในการสร้างความสงบหรือว่าเหนียวนึกถึงธรรมะเป็นอารมณ์ในขณะนั้นๆเวลาที่สูญไปโดยไม่เกิดประโยชน์ก็จะกลายเป็นเวลาที่เกิดประโยชน์ขึ้นมาพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าเป็นคณิกะวาทะคือกล่าวกันเป็นขณะ เป็นการฉกฉวยโอกาสในแต่ละขณะแต่ละขณะอย่างที่ทรงเน้นให้สนาไว้ว่าพวกเธอทั้งหลายจะได้ปล่อยการเวลาให้ผ่านพ้นไปพวกคนที่ปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปจะต้องเศร้าโศกเสียใจในการภายหลังการย่อมกินสับปะสัตว์พร้อมด้วยตัวของมันเองและในขณะเดียวกันก็ฉุดคร่าชีวิตของคนให้เข้าไปสู่ความแก่ความคล่่มคราและความตายในที่สุด การใช้ความเพียรทางจิตจึงทรงสอนให้ใช้ในขณะนั้นๆันน้ยังมขีข้อความหนึ่งที่ออกจะแพร่หลายก็คือว่าไม่เห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นๆในที่นั้นๆในอารมณ์นั้นๆโดยทรงเน้นให้เห็นว่าเวลาของชีวิตแต่ละบุคคล น, นั้นโอกาสข้างหน้าคือจากวินาทีหน้าเป็นต้นไปไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ก็เต็มด้วยอวิชชาและเต็มด้วยปัญหาซึ่งเราไม่มีคำตอบโอกาสที่คนจะใช้จริงๆก็คือเรื่องของปัจจุบันอย่างที่ทรงเน้นไว้ในพระธรรมเทศนาที่เรียกว่าแม้มีราตรีเดียวก็จเจริญบาความเพียรพยายามบุคคลควรรีบเร่งกระทำเสียในวันนี้เพราะใครเล่าจะร่วงความตายอาจจะมีในวันพรุ่งนี้ก็ได้ เนื่องจากเราทั้งหลายไม่อาจผัดเพียนต่อพญามัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่ได้ทั้งนี้เรื่องของความเพียรเมื่อกล่าวโดยสรุปในชั้นของจิตใจก็จะไปยุติลงที่หลักของสมาวายามะคือความพยายามในทางที่ชอบก็นี้พึงเห็นว่าองค์ของธรรมจะเป็นยังไงก็ตามเรียกชื่ อ, อยังไงก็ตามเวลาปฏิบัติไปปฏิบัติไปแล้วถึงจุดหนึ่งจะเข้าวรวมที่ สัมมาวายามะคือความพยายามชอบนั่นก็หมายถึงการสํารวมระวังเวลาตาเห็นรูปเป็นต้นป้องกันจิตเอาไว้ไม่เกิดความยินดีและความยินร้ายขึ้นในอารมณ์ดอกนั้นอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะวัตถุประสงค์ในการเจริญสติปัฏฐานนั้นหรือการเจริญกรรมฐานนั้น <c oughs> ก็คือการขจัดอภิชา ความโมบโลภอยากอยากอยากได้ในสิ่งต่างๆและโทมนัสความเสียใจความไม่พอใจในอารมณ์เหล่านั้นดังนั้นถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลไปยอมรับและไปกำหนดสิ่งที่เห็นทางตาเป็นต้นว่าน่าครหน่าปรารถนาน่าพอใจหรือไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาน่าพอใจถ้ากำหนดว่าน่าคราน่าปรารถนาก็จะเป็นการเพิ่มกิเลสสายอภิชาขึ้น ถ้ากำหนดว่าไม่น่าปรารถนาะไม่น่าพอใจก็จะเพิ่มสายโถมนัดขึ้นซึ่งเมื่อเป็นเช่นนี้โอกาสที่จะให้เกิดความสงบก็เป็นไปได้ยากตำนองเดียวกับบุคคลทาตั้งใจจะทำความสะอาดภายในบ้านแต่ก็เปิดประตูหน้าต่างให้ฝุ่นเข้ามาภายในบ้านรอบทิศทางความสะอาดภายในบ้านก็เกิดขึ้นไม่ได้ การปฏิบัติประเภทที่เรียกว่าเป็นความเพียรที่เผากิเลสให้ร้อนจึงเริ่มต้นด้วยสำรวมระวังไม่ให้บาปอกุศลเกิดขึ้นทางประสาทสัมผัสของตนในกรณีที่บาปอกุศลเหล่านั้นมีอยู่ภายในจิตใจแล้วก็เพียนพยายามละเพียนพยายามบรรเทาเพียนพยายามขัดเกลากัไปเรื่อยๆก็รธรรมะในทางพระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะขัดกลัน ไม่ใช่ว่าพวดพราดจะเป็นได้ทันทีทันใดพระพุทธเจ้าเองก็ต้องใช้เวลาตั้ง6ปีปสาวกทั้งหลายก็ใช้เวลากันนานๆบ้างน้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับนาววัสนาบ า, ารมีของท่านแต่ทั้งหมดนั้นก็คือการปฏิบัติขัดเกลาวจะถามว่าขัดเกลาอะไรก็คือขัดเกลากิเลสประเภทอภิชาะโทมนัสเป็นต้นนั่นเองให้ออกไปจากจิตใจโดยลาดับจนจิตใจมีความสะอาดขึ้นมีความส ง, งบขึ้น สามารถใช้ปัญญาไปพินิพิจารณาสิ่งต่างๆที่กล่าวสรุปว่าเป็นนามรูปให้เห็นตามความเป็นจริงได้ในด้านกุศลคือความดีก็เพียรพยายามเสริมสร้างขึ้นและกุศลความดีที่มีอยู่แล้วก็เพียรพยายามที่จะรักษาเอาไว้และเพิ่มปริมาณขึ้นโดยลําดับซึ่งในกรณีนี้จะพบว่าการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนานั้น บางครั้งทรงใช้คําเดียวคําว่าภาวนาบางครั้งก็ทรงใช้คําว่าปหานะภาวนาปหานะก็คือละชั่วภาวนาก็คือการประพฤติซึ่งก็ยุติโดยหลักที่เป็นหัวใจพระพุทธศาสนาที่พูดกันว่าการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้สมบูรณและการทําจิตให้ผ่องแผ้วนั่นเองการไม่ทําบาปทั้งปวงก็คือการละการทํากุศลให้สมบูรณ์กับการทําจิตให้ผ่องแผ้วก็คือการภาวนา แต่ในชั้นของการปฏิบัตินั้นพึงเห็นว่าก็เน้นไปที่ภาวนาเป็นหลักคือการกระทําให้มีให้เป็นขึ้นการเสริมสร้างความสะอาดความสงบให้เกิดขึ้นภายในจิตใจในที่นี้ก็ส่งเน้นไปที่ภาวนามันมีลักษณะดังที่เคยกล่าวแล้วว่าเหมือนกับบุคคลต้องการจะสลายความสกรปรกของน้ําภายในสระซึ่งอาจจะทําได้สองวิธีวิธีแรกก็คือ สูบน้ำสกรปรกออกแล้วก็นําน้ําสะอาดใส่เข้าไปแต่วิธีที่2นั้นก็คือนําน้ําสะอาดใส่เข้าไปน้ําสะอาดนั้นจะทําหน้าที่สลายความขุ่นข้นที่มีอยู่ก่อนโดยลําดับถึงจุดหนึ่งน้ําก็จะสะอาดเหมือนกันนี่ก็คือปริยายของธรรมะที่ทรงสแสดงดังนั้นคําว่าความเพียรที่เป็นอาตาปีก็คือความเพียรที่เผากิเลสให้ร้อน ซึ่งมุ่งมั่นที่จะสลายความเข้มข้นของกิเลสให้เจือจางลงไปตามลำดับแต่การที่บุคคลจะทำได้เช่นนี้ก็ต้องอาศัยหลักคือสัมปชัญญะสัมปชัญญะที่แปลว่าความรู้ทั่วพร้อมฟังแล้วก็สำนวนจะเป็นบาลีไปหน่อยแต่ในที่นี้ทรงใช้คาว่าสัมปชานะซึ่งก็แปลวความหมายเช่นเดียวกันท่นนี้เป็นเพราะอะไรเพราะเรื่องกิเลสนั้นละเอียด ถ้าเรารู้ไม่ทั่วคือมองไม่ตลอดบางทีก็นึกว่าเป็นธรรมะเป็นความดีไปและถ้ารู้ไม่ทันแล้วก็หลุดหายเข้าไปภายในจิตแล้วจึงทรงใช้คําว่าความรู้ทั่วพร้อมรู้ทั่วคือรู้ทุกแง่ทุกมุมของอารมณ์เหล่านั้นแล้วพร้อมกับสิ่งเหล่านั้นที่เกิดขึ้นสามารถวินิจฉัยตัดสินไปได้ตามสมควรแก่กรณีแห่งอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆ ใ น, นเรื่องของสัมปชัญญะหรือสัมปชานะเป็นจึงจำแนกแสดงออกไปโดยพิสดารถึง4ประการด้วยกันประการแรกเรียกว่าศาสตกะสัมปชัญญะคือการสามารถจำแนกแยกแยะได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็ น, นี้เพื่เห็นว่าเป็นการเริ่มจุดตั้งแต่ต้นมาแล้วตั้งแต่ต้นของพัฒนาการชีวิตคือยกคนขึ้นเป็นมนุษย์ คำว่ามนุษย์ก็คือสัตว์ที่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์นี้เป็นความหมายข้อสุดท้ายของคําว่ามนุษย์เพราะว่าเอาก็จริงแล้วในโลกนี้มันก็มีสิ่งที่เป็นประโยชน์กับไม่เป็นประโยชน์หรือเป็นกุศลกับอกุศลหรือเป็นบาปกับเป็นบุญคือมีความเป็นคู่อยู่ในโลกนี้ธรรมะในทางพระพุทธศาสนาถ้าท่านสาธุชนทั้งหลายลองสังเกตดูก็จะพบว่าตัวธรรมะนั้นคือตัวประโยชน์ เป็นประโยชน์อยู่แล้วการศึกษาการปฏิบัติธรรมะก็คือการจะนำเอาธรรมะนั้นไปใช้ให้เกิดเป็นประโยชน์การจะวินิจฉัยตัดสินว่าธรรมะจะเป็นประโยชน์แก่ตนหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าธรรมะเหล่านั้นจะเกื้อกูลแก่ตนหรือไม่การจะวินิจฉัยตัดสินความแก้ความเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลก็ดูที่ว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วด้วยการภาวนาหรือด้วยการละก็ตาม อำนวยความสะขให้หรือไม่ถอำนวยความสะขให้ก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำแล้วความสุขเมื่อกล่าวโดยสรุปก็แบ่งออกเป็นสามชั้นคือชั้นของการครองเรือนชั้นที่ตกแต่งพบชาติและชั้นที่เป็นบรมสุขคือมรรค น, นิพพานธรรมนั้นเป็นตัวประโยชน์อยู่ในตัวแล้วแล้วก็ทรงแสดงจำแนกไว้ในชั้นนั้นๆตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติ ข, ของบุคคล ดังนั้นเรื่องของสัมัญชนยะที่เริ่มจากจุดนี้ก็หมายความมาจําแนกไอ้สิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์มาได้โดยลําดับนั่นเองแต่ถึงจุดของการบําเพ็ญเพียรทางใจในชั้นของปัจจัยประกอบต่างๆก็ต้องแยกระวางสิ่งที่เป็นประโยชน์กับไม่เป็นประโยชน์แท้ที่จริงแล้วสัมัญชนยะหลักก็อยู่ตรงนี้ ในสามข้อต่อไปนั้นแสดงถึงปริมาณของสัมปชัญญะที่มีอยู่ภายในใจของบุคคลว่ามีมากพอหรือไม่ที่ไปแยกแยะสิ่งเหล่านั้นคือข้อต่อไปท่านใช้คำว่าโครจรสัมปชัญญะก็คือความฉลาดในโครจรด้ แ, แก่สถานที่เที่ยวไปของกายและของจิตคือกายเที่ยวไปในสถานที่ใดแล้ว ไม่เป็นการเกื้อกูลแก่ตนนำความทุกขมาให้ก็คือที่นั้นไม่เป็นประโยชน์นั่นเองส่วนเที่ยวไปในที่ใดแล้วเกื้อกูลแก่ตนมีผลเป็นความสุขที่นั้นก็คือที่ที่เป็นประโยชน์ควรแก่การเที่ยวไปอย่างนั้นแต่ทีนี้ในด้านจิตใจซึ่งก็เป็นเรื่องใหญ่บางทีใจแก่เป็นเหนียวนึกถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแม้ในชั้นก็การบเพ็ญเพียรทางจิตจะพบว่า คนบางคนไปติดสุขไปติดสงบ ไ, ไ, ไปติดอะไรอยู่ได้เป็นปีๆนั่งกรรมาฐานที่ไหนก็เริ่มเดินไปตามลาดับพอถึงสงบหรือหยุดนิ่งอาจจะอยู่ที่สงบหรืออาจจะอยู่ที่สุขหรืออาจจะอยู่ที่ว่างอะไรสักอย่างหแล้วก็เพลินอยู่ในเรื่องเหล่านั้นซึ่งในกรณีนี้จะเห็นว่าสัมปชัญญะมีกาลังอ่อนสติก็เป็นไปได้ช้า ไม่สามารถจะวินิจฉัยตัวอารมณ์ที่ปรากฏในขณะนั้นๆว่า น, นั้นคือประโยชน์ที่เราต้องการหรือไม่แน่นอนในช่วงนั้นก็คือผลอย่างหนึ่งของการปฏิบัติบําเพ็ญเพียรทางจิตแต่ว่าผลจริงๆไม่ได้อยู่ตรงนั้นตรงนั้นเป็นเพียงทางผ่านที่คนต้องผ่านเท่านั้นเองทางเดินนั้นยังมีอีกไกลแต่สามปชัญญะสามารถจําแนกได้ว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ถอนจิตออกไปแล้วก็เดินไปข้างหน้าได้ แต่ถ้าแยกไม่ออกก็หยุดหยุดอยู่ยที่นั้นบางคนอาจจะหยุดอยู่ได้นานๆและมีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อ ย, อยจากหลักฐานต่างๆที่ท่านแสดงไว้ในประคำภีบางท่านหยุดอยู่ได้ทั้งสามี่สิบปีไปติดอยู่ในความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากฌานจากสมาธิของท่านแสดงให้เห็นปริมาณของสัมปชัญญะที่เป็นปลายภายในจิตนั้นอ่อนไม่มีกาลังแก่กล้าพอที่จะตัด ศีลลงไปว่าที่จริงแล้วไม่ใช่เป้าเป็นเพียงทางผ่านซึ่งแสดงว่าเราเดินทางถูกเท่านั้นเองแต่จุดหมายปลายทางนั้นไม่ใช่อยู่ตรงนี้ซึ่งข้อนี้พึงเห็นตัวอย่างการปฏิบัติของพระผู้มีพระภาคเจ้าในสมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้จัดสรุปสรรพชัญญะตรงนี้ของพระองค์สูงมากไม่ว่าจะปฏิบัติในด้านใดก็ตาม สามารถแยกได้ถึงประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ถึงแม้เป็นประโยชน์ก็ต้องดูประโยชน์ที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะว่ากันตามความเป็นจริงการบำเพ็ญเพียรทางจิตในสำนักของท่านอาราดาบทและอุตกดาบทนั้นก็เป็นความสุขความส ง, งบที่สูงสุดสำหรับในยุคสมัยนั้นแต่เป้าหมายจริงๆของพระโพธิสัตว์ไม่ใช่อยู่ตรงนั้นสิ่งนั้นจึงไม่ใช่ประโยชน์ที่พระองค์ต้องการ แล้วในที่สุดก็เลิกละการปฏิบัติในแนวนั้นอย่างที่ทราบกันโคจรอย่างหนึ่งก็คือโคจรของจิตซึ่งมักจะมีปัญหาในการปฏิบัติเพ่าบางทีจิตแกไม่ยอมขยับเ ข, ขยืนไปจากจุดใดจุดหนึ่งที่แกติดอยู่จะระวางความสงบกับความไม่สงบแกไม่ยอมขยับออกไปจากความไม่สงบในตอนนี้สัมปชัญญะก็ต้องทำหน้าที่ แยกให้ออกว่าตรงนี้แหละอะไรคือตัวประโยชน์ก็จะเห็นได้ชัดว่าการที่จิตสายไปในอารมณ์ต่างๆนั้นไม่เป็นประโยชน์แล้วคนที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งจิตซึ่งมีลักษณะเป็นเช่นนั้นจะประสบความเดือดร้อนวิเคราะห์ลงไปให้ชัดมองไปให้ชัดแล้วก็ใช้ความเพียรพยายามที่จะดึงจิตออกไปจากอารมณ์เหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ ต้องมองประโยชน์ของความสงบให้เห็นได้ชัดเหมือนกันกระชาความเพียรพยายามผลักดันใจของตัวเองให้พยายามที่จะสัมผัสผลคือความสงบให้ได้ข้อนี้ถ้าหากว่าได้ติดตามศึกษาถึงพุทธจรรยาในส่วนที่พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งเล่าถึงการบําเพ็ญเพียรของพระองค์ที่แก้ไขปัญหาซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจแล้วก็จะเห็นได้ชัดได้ ยังยกตัวอย่างในกรณีเวลาการปฏิบัติเกิดว่าเวเกิดเราเปรี่ยวขึ้นมาแล้วความหวาดกลัวครอบงําจิตใจก็วิเคราะห์ตัดสินว่าทางเดินของจิตในช่วงนี้ไม่เป็นประโยชน์จะจะปล่อยให้ความกลัวครอบงําไม่แก้ไขที่ความกลัวในสุดจิตมันก็จะไปเกาะ อ, อยู่ที่ความกลัวแทนที่จะมามนานัศกรถึงอารมณ์ของกรรมฐานและพระองค์ก็รับสั่งเล่า วพระองค์กลัวในจุดใดก็ตามจะยืนอยู่ตรงนั้นเองสมมติว่ายืนกลัวก็ยืนจนหายกลัวนั่งกลัวก็นั่งจนหายกลัวเป็นต้นเพราะอะไรเพราะมองดูว่าความกลัวนั้นไม่เป็นประโยชน์แต่ถ้าจะพอกลัวแล้วก็หนีมันก็เกิดกลัวอีกแล้วก็หนีกันอีกก็หาข้อยุติไม่ได้เหมือนกันว่าเมื่อไหรจะแก้ความกลัวได้เพราะฉะนั้นความกลัวเกิดขึ้นในจุดใดก็แก้กันในจุดนั้นแล้วก็หายกันในจุดนั้น นี่ก็คืออะไรก็คือการสัาเดงให้เห็นถึงปริมาณของสัมปชานะหรือสัมปชัญญะที่มีอยู่ภายในจิตใจของบุคคลผู้นั้นมากพอที่จะแยกโครจรคือทางเดินของกายและของจิตได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยประยายหนึ่งทรงใช้คำว่าฉลาดในวิตกบทคือทางแห่งวิตกได้ แ, แก่ความนึกคิดของคนซึ่งจะเห็นได้ว่าความนึกคิดของสามัญชนนั้น มันจะมีอยู่เพียงหกแนวแต่นั้นเด็กแนวใหญ่ก็คือจะนึกไปในเรื่องที่รักใคร่พอใจปรารถนาต้องการนึกไปด้วยความไม่พอใจความขับแคลนความอาฆาตพยาบาทต้องการโต้อ ต, ตอบทําลายล้างนึกไปในทํานองเบียดเบียลนล่างรานด้วยอานาจของความหลงนี้แสดงว่าทางแห่งจิตได้ตกลงไปในกระแสของอคุสุนธรรมะคือสมามัญชนะก็ต้องรู้ว่านี้ไม่เป็นประโยชน์ ความคิดในแนว น, นี้ไม่เป็นประโยชน์ก็บันเทาความคิดเหล่านั้นออกไปอีกแนวหนึ่งซึ่งเป็นกุศลคือความคิดในทางตรงกันข้ามได้แก่การพิจารณาเห็นโทษของความโหยติจความมัวเมาหมกมุ่นอยู่ในกามาคุณทั้งหลายปรารถนาที่จะดึงกายจิตของตนออกจากอารมณ์เหล่านั้นเห็นโทษของความอาฆาตพยาบาทแล้วก็เห็น คุณอานิสง์ของควา ม, มเมตตากรุณาเรียนโทษของความเบียดเบียนประสุร่ายกันแล้วก็ทําใจให้สงบด้วยกรุณาด้วยความไม่เบียดเบียนเป็นต้นนี่ก็คือทางเดินของจิตก็จะมีอยู่สอยู่หกแนวอย่างนี้คือเป็นอกุศลสามเป็นกุศลสามอยู่เสมอไปสาหรับปุถุชนแล้วถ้าลองสังเกตติดตามดูความคิดและวิเคราะห์ความคิดในแต่ละขณะก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าแกเดินอยู่อย่างนี้เอง ถ้าตกไปอกุศลก็ต้องสามแนวนี้ถ้าเป็นกุศลก็ต้องสามแนวนั้นแต่ก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่อย่างนั้นเองปัญหาว่าจะตกไปในด้านไหนมากถ้าด้านเป็นประโยชน์ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าด้านไม่เป็นประโยชน์สามปชัญญะก็ต้องรู้ทันรู้พร้อมแล้วก็ตัดกระแสะของอารมณ์กระแสะของความคิดที่บังเกิดขึ้นแน่นอนและเกินปริมาณของสามประชัญญะในลักษณะนี้จะต้องมีความเพียรข้านนท์ เราถ้าหากว่าความเพียรไม่ช่วยหรือความเพียรมันหย่อนมันก็จะเกิดแนวความคิดยกตัวอย่างเช่นไม่มีอะไรขนาดจะยังคนนอนหลับมาตื่นกันมาแล้วก็รอก่อนเดี๋ยวก่อนค่อยก่อนนอนอีกนิดหนมันก็จะมีเงื่อนไขขึ้นเพราะอะไรเพราะความเพียรเกย่อนทั้งๆ ท, ที่ว่ารู้ว่านอนไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เนื่องจากความเพียรหย่อนก็ลุกขึ้นมาไม่ได้ ความเพียรจึงต้องมีปริมาณสูงขึ้นสมมชัญญะรู้ซึ่งตามปกติแล้วพึงสังเกตว่าในชีวิตของคนตัวสามชัญญะก็มีประสมผสานในความเพียรมันหย่อนนั่นเองอาจจะมองเห็นโทษของสุราโทษของการเที่ยวเียใจโทษของการพราดพลานเวลาให้สูญสิ้นไปไม่เกิดประโยชน์อะไรหรือโทษของความโกรธโทษของการอิจฉาริษยาอธิบายชี้แจงกันได้แต่ก็จริงแล้วแก้ไม่ได้ แต่ไม่แก้ไม่ได้เพราะความเพียรมันหยอ่อนสามารถชี้แจงอัดผาอธิบายถึงโทษของความโกรธความอิจฉาริสยาได้อย่างเรียบร้อยแต่พระเอาก็จริงตัวเองโกรธเองอิจฉาริสยานี่แสดงให้เห็นถึงความเพี่ยนแก่หย่อนไปเพราะถ้าถึงจุดนี้คือแยกได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยถ้าความเพียรไม่หย่อนเกินไปไม่วควรจะสลัดทิ้งไอ้ฝ่ายที่ไม่เป็นประโยชน์ มากระทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ธรรมะเหล่านี้ต้องหนุนกันอยู่เรืยและไป ป, ปริมาณความเข้มข้นของธรรมะต้องสูงขึ้นไปโดยลําดับไม่ใช่ว่าจะทําอะไรความเพียรก็อยู่ระดับนี้สัมะชัญญาก็อยู่ระดับนี้เป็นไปไม่ได้ถึงแม้จะชื่อเหมือนกันแต่ปริมาณต้องสูงขึ้นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วการปฏิบัติการกระทําของบุคคลจะไม่เกิดประโยชน์ในบางฐานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่สูงขึ้นไป ปรการต่อไปท่านเรียกว่าส ป, ปายะสำมปชัญญะซึ่งว่าที่จริงก็คือรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นั่นเองที่ว่าเสนาสะนะที่อยู่ที่อาศัยอย่างไรเป็นที่สบายอารมณ์อย่างไรเมื่อปฏิบัติไปแล้วจะทำใจให้สงบการรับประทานอาหารอย่างไรใจจะไม่ตกไปทางถีนามิทะหรือว่าตกไปทางฟุ้งซ่านราคาญหรือว่าบุคคลเช่นไรที่เข้าไปคบหาสมาคมด้วย จะเกื้อกูลแก่ความสงบของตนนี่ก็กล่าวโดยสรุปก็คือว่าแยกได้ว่าสิ่งที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นปัจจัยเป็นอุปกรณ์ในการำ <c oughs> ทำทความสงบทางใจนั้นอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์นั่นเองแต่ท่านเรียกว่าสัพพายะคือสบายอาหารเป็นที่สบายที่อยู่เป็นที่สบายอารมณ์เป็นที่สบายบุคคลเป็นที่สบาย อากาศเป็นที่สบายมันก็เป็นปัจจัยเข้าสนับสนุนให้เกิดความสงบเร็วขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้สัมปชัญญะและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือตัวสัมปชัญญะหรือสัมปชานะที่เกิดขึ้นจะต้องขาจัดความหลงได้ที่ท่านเรียกว่าอาศัมโมหะสัมปชัญญาะคือต้องรู้โดยขาจัดความหลงได้ซึ่งก็ <c oughs> คล้ายๆกับการจุดแสงสว่างขึ้นมันต้องขาจัดมืดได้ เมจุดไปแล้วอากาศยังขมุกขมัวยังอึมครึมอยู่มันก็เดินอะไรก็ไม่ค่อยคล่องการปฏิบัติบาเพ็ญเพียรทางจิตก็มีลักษณะเช่นเดียวกันธรรมะทั้งสองประการนี้จึงเป็นปัจจัยอาศัยกันและสนับสนุนกันในการปฏิบัติทุก ข, ขั้นตอนทางพระพุทธศาสนาต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป